ทีนี้อันนั้นก็หยาดน้ําให้ถือว่าเป็นการให้กันเบ็ดเสร็จแล้วนะพระโพธิสัตว์ก็โสมนัสแล้วใช่ไหมก่อนให้ก็โสมนัสกาลังให้ก็โสมนัสให้เสร็จก็โสมนัสเสร็จแล้วเหตุการณ์ก็ผ่านไปทีนี้ผู้ที่เป็นเจ้าของคาดุล่ะเขาว่างไงฝ่ายตะพราหชูโชคก็เลยเดินเข้าไปป่าเลยตรงนั้นแหละเอาฟันเนี่ยกัดเถาวันแล้วก็ถือมาเนี่ยนะไม่ ม, ม, มีมีขวานอะไรนะไปถึงก็ใช้ปากนี่แหละกัดแครกๆแต่ดงว่าฟันแข็งแรงมาก นีนะไม่หลุดอยู่ตรงนั้นอ่ะแย่เลยเสร็จแล้วก็ผูกพระหัตตเบื้องขวาแห่งชาลีกุมาเนี่ยรวบกับพระหัตตเบื้องซ้ายของกันหาชินาผูกพี่ชายนี่แขนขวาผูกน้องสาวแขนซ้ายมัดไว้ติดกันเห็นไหดึงไปเหมือนกับลากวัวฉะ น, นั้นนะทีนี้ฝ่ายภาษาสดาประกาศความข้อนั้นจึงกล่าวว่าแต่นั้นพราหมณ์ผู้ร้ายกาดนั้นก็เอาฟันเนี่ยกัดเทวันเนี่ยนะ ผูพกพะกรแห่งคือผูกแขนของกุมารด้วยเทวันอีกข้างหนึ่งเอาไว้แากนั้นก็ผูกเทวันอีกข้างหนึ่งแล้วก็เคี่ยนตีนําพระกุมารไปต่อหน้าพระที่นั่งพระเวสสันดรศีวิราชเ น, นี่ยนะก็หวัวต่อหน้าพ่อนั่น น, น, นะะหัวรูปต่อหน้าพ่อนี่ยแม่ก็เทือนใจหน้าดูเลยนะทีนี้ผิผผผวคือเฉวีเนี่ยแปลว่าผิวของพระชาลีกันหาชินาเนี่ยก็แตกตรงที่ตีเนี่ยนะ เขบอกว่าแซ่ลงตรงไหนเนื้อเลือดมันก็กระดุดหลุดมากระเด็นมาจากตรงนั้นเนี่ยนะเขบอกว่าตีแล้วก็เลือดก็ไหลพระชาลีพระกันหาชินาต่างก็เอาพระปิสดางเนี่ยเข้าไปรองรับแทนกันและการแสดงว่าพี่น้องรักกันมากเพราะฉะนั้นถ้าจะตีน้องพี่ก็เอาหลังไปรับถ้าจะตีพี่น้องก็เอาหลังไปรับเนี่ยนะก็เราว่าแสดงว่าที่ตีนี่คือมันดึงไม่ค่อยไปอ่ะนะดึงไม่ไปอ่ะลากไม่ค่อยไปอ่ะนะ ก็เป็นอย่างนั้นของมาสมัยเด็กๆเคยเลี้ยงวัวเลี้ยงควาเนี่ยดึงไม่มาก็ต้องสั่งสอนกันบ้หน่อยอะไรหัวตาบะไรเนี่ยนะกรรมมันนั้นไปที่ไหนก็เลยเนี่ยมันผืนมันขึ้นแบบแบบตีนั่นแหะแบบตีสัตว์นั่นนะแล้วก็ถักเรียกว่าลมพิษอ่ะนะมันจะขึ้นแบบที่เราสมัยที่ตีสัตว์เอาไว้อย่างนั้นมันยอมเคยตีไว้หรือเปล่าไม่เคยก็ดีไปนะดีใจด้วย mm hmm. เคยทำเอาไว้ก็ทําบุญหนีเอาไปแล้วกันคร mm hmm. ั้งนั้นช่วโชคเนี่ย พลาดล้มลงในสถานที่ไม่เสมอแห่งหนึ่งนะดึงไปดึงมานะคนแก่จะไปมีเที่ยมีแรงอะไรกันนักันนะเพราะฉะนั้นก็เดินไปเดินมาก็เลยเข่าวันที่แข็งก็หลุดจากมือเนี่ยนะสองกุมารกุมารีก็ร้องไห้แล้วก็ น, นี้ไปหาพ่อเนี่ยนะก็นิ้เข้าไปหาพ่อนะก็หลุดแล้วนี่อธิบายว่าพระชาลีและกันหาชินาลีไปจากที่นั้นพ้นชูพรามชูชก มีพระเนรทั้งสองนองไปด้วยอสุชนคือน้ำตาพระชาลีชะเงอ้อดูบิดาอันนะองเนี่ยสันเหมือนใบโพพึกษ์งนั้นเถอะตัวเนี่ยสันหมดแล้วก็ดูหน้าพ่อนะพ่อจะทำยังไงวะเนี่ยเนี่ยนะก็ตัวเนี่ยสันมากอภิวาทพระราชบิดาคือกราบพ่อนะแล้วก็ถวายพระบาทพระราชบิดาก็กราบทูลคำนี้ว่าข้าแต่พระบิดาก็จะอ้อนพ่อนะ พระมารดานิเสดออกไปป่าแล้วพระบิดานิประทานหม่อมชันทั้งสองขอพระบิดาจงประทานหม่อมชันทั้งสองต่อเมื่อหม่อมชันทั้งสองได้พบเห็นพระมารดาก่อนเถอดเออไหนๆจะ away, ให好好้ลูกแล้วนะคอยแม่มาก่อนได้ไหมอย่างเงี้ยนะทีนี้ข้าแต่พระบิดาเนี่ยนะพ่อว่างันแม่เนี่ยเสด็จออกไปป่าแล้วพ่อเนี่ยประทานหม่อมชันทั้งสองขอพ่ออย่าเพิ่งประทานหม่อมชันทั้งสองจนกว่าพระมารดาของหม่อมชันทั้งสอง จะเสด็จกลับมาเนี่ยนะคือฐานะที่เป็นจริงตอนนี้เนี่ยพระโพ ธ, ธิสัตว์ให้ไปแล้วใช่ไหมคือถือถือว่าถือให้ก็ให้ไปแล้วนะถือว่าแต่ว่าไปจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วเพราะให้เป็นฐานไปแล้วแต่ก็พระชาลีนี่ก็กลับไปอ้อนพ่อนะว่าพราหมณ์ชูโชคเนี้ยจงขายหรือจงฆ่าในการนั้นเป็นแน่แท้นะชูโชคนี้ประกอบไปด้วยบุรุษโทษสิบแประการเนี่ยนะมาดูรู ป, ปรพันฑ์สันตานี่คุณนุ่งไปวาดชูโชคนะดูจะเหมือนหรือเปล่า ข้อหนึ่งตีนแบเขาบอกงั้นข้อสองเล็บเน่านะข้อสามปลีน่องเนี่ยย้อยยานลงนะน่องเนี่ยมันมันแค่มันควรจะสูงไม่มันย้อยลงต่ําเนี่ยแล้วก็ริมฝีปากข้างบนเนี่ยยาวเนี่ยนะริมฝีปากบนเนี่ยยาวมาทับริมฝีปากล่างนะน้ําลายนี่ก็ไหลเนี่ยนะแสดงว่าฟันมันเขยืดออกมาน้ําลายก็ต้องไหลอยู่แล้วเขี้ยวก็ยาวออกจากริมฝีปากเหมือนกับเขี้ยวหมูเนื่องจากเขี้ยวยาวเนี่ยน้ําลายมันก็ต้องไหลนะ แล้วก็จมูกก็หักนะครคือคนดั้งหักท้องโตเหมือนหม้อหลังก็ค่อมตาก็เละหนวดก็สีเหมือนกับทองแดงไงนะหนวดหนวดเคราเนี่ยออ ก, กเป็นเหลืองๆหน่อยนะหนวดทองแดงเหมือนกันเถอะผมนี่สีเหลืองสีเหลืองแบบแบบหยิกด้วยนะงอกแบบหยิกอะแล้วก็มีเส้นเอ็นนี่ขึ้นสะพั่งเกลื่อนไปด้วยกระดำเนี่ยนะเส้นเอ็นนี่ก็ท่วมตัวหมดกระก็เต็มไปหมดตาเหลือกแล้วก็เหลืองด้วยนะแสดงว่ามันลืม คือบางคนเนี่ยนะมันตา ม, มันจะออกเหลือกนิดๆนดะนะแล้วก็ตัวตาจริงๆแล้วก็คนอายุมากก็บางทีก็เหลืองอ่ะนะความที่กัปิดตาไม่ค่อยสนิทเอวคดหลังโกงคอเอียงเนี่ยนะขาดาังเดินตีนดังเพาะเพาะแสดงว่าไอ้ข้อไม่ค่อยดีนะเวลาเดินก็ดังคล็คกๆเกหมือ น, นกระเรือนเก่ายกๆอ่ะนะขนเนี่ยตามตัวก็ดกแล้วก็ขนหยาบด้วยนะนะก็ตามธรรมเนียมแขกเป๊ะเลย นุ่งหนังเสือเหลืองเป็นเหมือนดังอมนุษย์หน้ากลัวนี่แกเป็นอมนุษย์หรือเป็นยักษ์กินเนื้อกินเลือดมาแต่บ้านสู่ป่าทูลขอทรัพย์กับพระบิดาฆ่าแต่พระบิดาขอพระ อ, องค์ทอดประเนรเห็นหม่อมชันทั้งสองผู้อันแกผู้ดุดปีศาจนำไปหรือเนาะนะก็พวกกับพ่อนะพ่อไม่เห็นหรือผีมานนำลูกไปพ่อไม่เห็นหรือยังไงนาะเหมือนน เนีพระหาดทายของพระ อ, องค์เนี่ยราวกับผูกมั่นด้วยเหล็กแน่ทีเดียวบอกใจพ่อนี่มันเอาเหล็กมัดไว้หรือยังไงอ่ะนะจากพรามชูชกผู้สแสวงหาทรัพย์เนี่ยเป็นผู้ร้ายกาดเกินจะเปรียบผูกหม่อมชั้นทั้งสองกต็ตีหม่อมชั้นทั้งสองเหมือนตีฝูงโครพระ อ, องค์นี่ไม่ทราบหรือเนาอะพ่อไม่รู้ยังไงเนี่ยลูกถูกตีอยู่เนี่ยเหมือนน้องกันหาชนาเนี่ยจงอยู่ณที่นี้นะก็พูดถึงน้องมาเอาน้องฝากไว้นี่นะเหมงอนกัน เพราะเธอนี่ยังไม่รู้จักทุกสักนิดลูกมรุขีก็คือลูกเนื้อที่ยังกินนมพรากไปจากฝูงก็ร้องให้หาแม่เพื่อจะกินนมฉันใดน้องการหาชินาเมื่อไม่เห็นพระมารดาก็จะร้องให้เหี่ยวแห้งสิ้นชีพฉะนั้นเนี่ยนะก็ห่วงน้องอนะยังไงยังไงก็ฝากน้องเอาไว้กับพ่อนะเอาไว้ให้แม่ด้วยนี่ถ้าเธอจากแม่เนี่ยเธอคงตายเป็นแน่ว่างอันมันก็รอให้แม่กลับมาก่อนทีนี้ก็น่า สังเกตนิดหนึ่งบอกว่าบทว่าอสมานูนาเตหะทยังความว่าข้าแต่เสดพ่อธรรมดาบิดามารดาทั้งหลายย่อมมีหัวใจอ่อนในบุตรทั้งหลายไม่ทนดูความทุกข์ของบุตรทั้งหลายอยู่ได้แต่ว่าใจของพระองค์เนี่ยเห็นจะเหมือนแผ่นหินอย่างนั้นแต่ใจพ่อเหมือนหินหรื อ, อยังไงอย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งอธิบายว่าใจของพระองค์เนี่ยใช้เหล็กผูกไว้ให้มั่น ฉนั้นหม่อมชั้นทั้งสองมีความทุกข์เกิดขึ้นมาเห็นปานชนีมาเมื่อชาลีกุมารกราบทูลอยู่อย่างนี้พระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้ตรัสอะไรอะไรแต่นั้นชาลีกุมารเมื่อจะคร่ำควรวญปรารบถึงแม่ต่อไปว่าเนี่ยนะอันนี้ก็วิปโยคทุกนะทุกที่จากแม่แล้วก็สัมปโยคทุกทุกที่เขาจะจับเอาไปเนี่ยนะก็จะว่าไปก็มีแต่อุปาทานขันที่เป็น นี่แหละโทษของการเกิดถ้าไม่เกิดไม่ได้ทุกข์ขนาดนี้หรอกเนี่ยนะบอกว่าทุกเห็นปานนี้ของลูกนี้ไม่สู้อะไรเพราะทุกนี้ลูกผู้ชายเพิ่งได้รับ น, น, นกะก็ผู้ชายเนี่ยทุกอย่างนี้มันก็ต้องรับเป็นธรรมดาแต่การที่ลูกไม่ได้พบเห็นมารดาเป็นทุกยิ่งกว่าทุกเห็นปาณ น, นี้อีกเนี่ยนะก็ไอเจ็บปวดแบบนี้ก็ถือว่าทุกหนักหนาอยู่แล้วแต่ทุกหนักกว่านี้คือไม่ได้เห็นหน้าแม่เหมือนกัน พระมารดาพระบิดาเมื่อไม่ทอดพระเนตรเห็นกันหาชินากุมารีผู้งามหน้าดูก็จะเป็นผู้กำพร้าการแสงสิ้นราตรีสิ้นกาลนานเนี่ยนะนี่นะนนะถ้าหากว่าพ่อแม่ก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าไม่เจอหน้าลูกใครจะร้องให้ทุกกันหน้าดูเลยแหละหอย่างนันพระมารดารบิดาเมื่อไม่ทอดพระเนตรเห็นกันหาชินากุมารีผู้งามหน้าดูก็จะเป็นผู้กำพร้า ร้องให้คร่ำครวญอยู่ในอาสมเนี่ยนะก็พูดอันนี้นะพ่อแม่ถ้ากําพร้าลูกจะเป็นยังไงก็จะทุกใจอีกเหมือนกันใช่ไหมปกติพ่อแม่พูดกันถึงเด็ ก, กนะก็จะบอกว่าเด็กเนี่ยพวกนี่มันกําพร้าพ่อกําพร้าแม่ที่เด็กพูดถึงพ่อแม่บ้างกบบพ่อเนี่ยกําพร้าลูกกันอย่างนั้นนะก็กําพร้าลูกกันนะ พระมารดาและบิดาจะเป็นผู้กำพร้ากันแสงร้องให้ตลอดค่ำคืนจากเหี่ยวแห้งในกึ่งราตรีหรือตลอดราตรีเหมือนแม่น้ำเหือดแห้งไปฉะนั้นเนี่ยนะใจของแม่ก็จะแห้งเหมือนน้ำแห้งเช่นนั้นแหละวันนี้เราทั้งสองจะละลูกชาติต่างๆเช่นไม้ว่าเนี่ยนะไม้ย่างทายซึ่งมีกิ่งห้อยย้อยและลูกชาติที่มีผลต่างๆ เช่นไม้โพบายขนุนใสมะกขิดวันนี้เราทั้งสองจะละสวนและแม่น้ำซึ่งมีน้ำเย็นที่เราเคยเล่นตลอดการก่อนวันนี้เราทั้งสองจะละปุพชาติต่างๆบนภูเขาที่เคยทอดทรงในการก่อนและผลไม้ต่างๆบนภูผาซึ่งเคยบริโภคในการก่อนวันนี้เราทั้งสองจะละตุ๊กตาช้างตุ๊กตามา้าตุ๊กตาวัวซึ่งพระบิดาเนี่ยปั้นพระราชทานที่เคยให้เล่นในการก่อนอันนี้ก็เล่าร้องให้ไป คร่ำครวญไปถึงทุกที่จะต้องจากของที่เคยเล่นน่ะนะคือธรรมดาเด็กเนี่ยพอได้ปัจจัยมันก็รอ้องไงไหมใครที่ไปส่งลูกเข้านุบาลวันแรกก็กระจองงอแงเหมือเนกันหรือเปล่าอ่ะแล้วทำไมพ่อแม่ไม่เห็นร้องไห้อยู่กับลูกล่ะนะก็ลูกมันร้องไห้อะนะเวลาไปส่งเรียนอนุบาล น, นะร้องไห้ไหมมันก่อนฟังถึงว่าก็าบอกว่าเวลาช้างเนี่ยนะเขาบอเอาช้างไปเข้าโรงเรียนช้างเหมือนกันช้างจะเข้าโรงเรียนเหมือนกันกว่าโรงเรียนช้างก็บอก ไปเวลาไปส่งนะส่งที่โรงเรียนช้างก็บอกว่าเวลาจากแม่จากลูกมันร้องให้เหมือนกับคนเหมือนกันเลยระว่างกันเหมือนกันเด็กพ่อแม่ที่มีลูกเล็กๆไปเข้าอนุบาลนัมันก็ร้องให้กระเจางอไงเหมือนๆกันระหว่างกันก็โรงเรียนฝึกช้างที่ลําปางน่นนะนะวันแรกที่ไปส่งก็จะเหมือนกันกับคนนี่แหละระหว่างกัน ทีนี้เมื่อชาลีราชกุมารคร่ำครวญอยู่อย่างนี้พระภคินีคือน้องสาวคือกันหาชินาชูชกกรบโบยตีกุมารกุมารีเนี่ยพาตัวไปเนี่ยนะก็ตามธรรมเนียมะนะก็ตีไปหวดไปเขี่ยนไปพระราชกุมารกุมารีทั้งสองเมื่อถูกชูชกนําไปได้กราบทูลคํานี้แก่พระราชบิดาว่าขอเสด็จพ่อโปรดรับสั่งแก่เสด็จแม่นะก็เรียกว่า ฝากพ่อช่วยบอกแม่ว่าหม่อมชันทั้งสองสบายดีทเจ็บปวดขนาดนี้ยังบอกสบายดีอีกไหมคือเขาห่วงแม่นะแม่อย่าได้มาทุกข์กับเขาอ่ะนะและขอให้เสด็จพ่อจงมีความสุขสําราญเถิดขอเสด็จพ่อจงประทานตุกตาช่างตุกตามา้าตุกตาวัวเหล่านี้ของหม่อมชันทั้งสองแด่เสด็จแม่เนี่ยนะเขยังฝากตุกตาถึงแม่หน่อยเหมือนน เสด็จแม่ทอดพระเนตรเห็นเครื่องเล่นคือตุกตาช้างตุกตามา้าตุกตาวัวของหม่อมฉันทั้งสองเหล่านี้จะบรรเทาความเศร้าโศกได้บ้างแม่ไม่เห็นลูกก็คงทุกข์เป็นแน่เห็นตุกตาก่อนก็ยังดีแบบนั้นในการครั้งนั้นความเศร้าโศกมีกําลังเพราะปรารบ พ, พระโอรสธิดาได้เกิดขึ้นแก่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ไม่ใช่ว่าไม่ทุกข์นะเพราะตอนนั้นลืมเรื่องทานนะจะไหมคิดถึงแต่เรื่องทุกข์ของลูก ท้องก็เลย โ, โหโศกทุกขก์อะไรเกิดขึ้นอย่างแรงแก่พระโพธิสัตว์ใจ น, นะหัทยะมังสะคือคือหัวใจของพระโพธิสัตว์ก็เป็นของร้อนพระองค์ก็ทรงวันไหวด้วยความเศร้าโศกเหมือนช้างพลายตกมันถูกไกลอนราชสีจับก็บกเหมือนดวงจันเข้าไปในปากแห่งราหูไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้ด้วยภาวะของพระองค์มีพระเนตรนองไปด้วยสายชนคือน้าตาเนี่ยนะสุชน เสด็จเข้าบรรณาศาลาคร่ำครวนปริเทวนาการอย่างน่าสงสารพระโพธิสัตว์เข้ากุฏิร้องไห้เลยเนี่ยนะโอ้ยลูกนะซึะ่งภาษาสดาเมื่อจะประกาศความข้อนั้นตรัสว่าแต่นั้นพระเวสสันดรราชขติยะดาบททรงบริจาคปิยะปุตทานแล้วก็เสด็จสูบบ่บรรณาศาลาทรงคร่ำครวญอย่างน่าสงสาร คาถาแสดงการพร่ำครวญของพระโพธิสัตว์อย่างนี้นะพระโพธิสัตว์เขาครวญว่าวันนี้เด็กทั้งสองจะเป็นอย่างไรหนอหิวกลัวเดินทางร้องให้เวลาเย็นบริโภคอาหารใครจะให้โภชนาหารแก่เด็กทั้งสองนั้นเด็กทั้งสองจะร้องขออาหารว่าแม่จ้าหม่อมชั้นทั้งสองหิวขอแม่จงประทานอาหารแก่หม่อมชั้นทั้งสองเด็กทั้งสองดำเนินด้วย พระบาทเปล่าไม่มีรองพระบาทคือไม่มีรองเท้าจะดําเนินไปตามหนท า, า น, นะนทางอย่างไรเนาะนะคิดถึงลูกเออจะไปเดินทางยังไงเนี่ยเมื่อเด็กทั้งสองมีพระบาทพองบวมทั้งสองครั้งใครจะจูงพระหัตเธอทั้งสองไปชูชกตีลูกๆผู้ไม่ประทุสล้ายต่อหน้าเราแก่ช่างไม่อดสูใจบ้างเลยเนาะคิดถึงลูกแล้วก็ทุกใช่ไหมคิดถึงชูชกก็ทุกอีกเพราอมจะมีแต่ปฏิฆาหนิมิตตลอดเนี่ยนะก็โทมานัท ก, ก็รุนแรงขึ้น แกนี้เป็นอารัชชีแท้นะชูชกอะไรเนอะจะไม่ใจช่างไม่มีกรุณาเลยบบงนั้นไม่ละอายบ้างเลยใครทีเดียวมีความอดสูแก่ใจจักกล้าตีทาสีและท่าหรือคนใช้อื่นของเราที่สละให้แล้วแต่ชูชกเนี่ยแกด่าแกตีลูกๆที่รักของเราทั้งเห็นต่อตาเหมือนคนหาปลาตีปลาที่ติดอยู่ในปากแฮ้ เนี่ยนะเวลาเคยเห็นคนเขาทุบ ป, ปลาไหมก็สงสารไหมมันดิ้นกระเด๋วกระเด๋วมันน่าจะเห็นใจบ้างอันนี้ก็เหมือนกันนะชูชกตีลูกเหมือนย่งกระตีปลาอย่างนั้นแหละทีนี้ก็เลยอธิบายว่าบทว่าอปัสตเนี่ยนะเป็นนิบาติชูชกทั้งดา่าทั้งตีลูกๆที่รักของเราทั้งเห็นต่อหน้าต่อตาทีเดียวโอ้ต่นี่มันทารุณเหลือเกินอย่างั้นครั้งนั้นปริวิตรกความปริวิตกได้เกิดขึ้นแก่พระโพธิสัตว์ ด้วยการเสน่หาในโอรสและทิดาอย่างนี้ว่า น, นะพอพอโทมานต์เกิดขึ้นมากก็คิดอกุศล น, นะนะว่าพรามนี้เบียดเบียนลูกของเราทั้งสองเหลือเกินเมื่อไม่อาจอดกลั้นความโศกนี้เอาไว้ได้เราจะติดตามไปฆ่าพรามเสร็จแล้วก็นํานําลูกทั้งสองกลับมาเนี่ยนะแต่นั้นก็กลับหัวนคิดขึ้นว่าการที่เราให้ลูกทั้งสองเนี่ยถูกเบียดเบียนเป็นความลําบากยิ่งนั่นไม่ใช่ฐานะ การบริจาคปิยปุถานแล้วจะเดือดร้อนในภายหลังหาใช่ธรรมะของสัตว์บุรุษไมมก็มาคิดถึงสิ่งที่เราทํเนี่ยมันทําเพื่อความเป็นสัพพัญยุตยานหรือเพื่อบรรลุความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าการให้ลูกเป็นทานมาเสียใจในภายหลังมันไม่ใช่ธรรมเนียมนะมันไม่ใช่ข้อปฏิบัตินะก็เลยแสดงคาถาปริวิตกว่าเราจะถือคัน พระแสงสอนเน็บพระแสงขันก็ถือธนูถือดาบเอาไว้เบื้องซ้ายนาลูกทั้งสองของเรากลับมาเพราะการที่ลูกทั้งสองถูกเคี้ยนตีนำมาซึ่งความทุกข์แต่ลูกทั้งสองพึงลำบากยากเข็นนั้นไม่ใช่ฐานะก็ใครเล่ารู้ธรรมะของศัตว์บุรุษพึงบําเพ็ญทานแล้วเดือดร้อนในภายหลังใครรู้บุญรู้อะไรดีแล้วจะมาทาบุญและเสียใจในภายหลังทาไมว่างั้น ได้ยินว่าพระโพธิสัตว์นั้นทรงอนุสอนถึงประเพณีของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายในขณะนั้นตั้งแต่นั้นพระองค์ก็เลยคิดว่าพระโพธิสัตว์ทั้งปวงไม่บริจาคมหาทานหาประการนี้คือบทหนึ่งบริจาคทรัพย์หมายถึงราชสมบัติสองบริจาคอวัยวะสมบริจาคชีวิตสบริจาคบุตรหบริจาคพัญญาหาเคยเป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมถ้าไม่ทํามหาบริจาคนี้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ ก็ตัวเราก็เข้าอยู่ในจำพวกพระโพธิสัตว์เหล่านั้นแม้เราไม่บริจาคบุตรและฉายาก็ไม่อาจจะเป็นพระพุทธเจ้าได้พอคิดช่นนี้ก็ยังสัญญาให้เกิดขึ้นว่าก็คือสอนตัวท่านเองขึ้นว่าเลยนะว่าเวสันดรเป็นอย่างไรท่านไม่รู้ความที่บุตรและบุตรีที่ให้เพื่อเป็นท่าทาสีแก่ชนเหล่าอื่นจะนามาซึ่งความทุกข์ดอกหรือเราจับตามไปฆ่าชูชกด้วยเหตุใดเล่าแล้วก็คิดต่อไปว่า ขึ้นเชื่อว่าบริจาคแล้วตามเดือดร้อนในภายหลังหาสมควรแก่เราไม่นะทำบุญไปแล้วทำกุศลไปแล้วจะเสียใจทำไมก็เลยตัดพอะพระองค์เองอย่างนี้แล้วก็อธิษฐานสมาทานกุศลเนี่ยนะอธิษฐานบารมีก็เข้ามาว่าคือมนสิการว่าถ้าชูชกฆ่าลูกทั้งสองของเราจำเดิมแต่เวลาที่เราบริจาคแล้วจะไม่กังวลอะไรอะไรทรงอธิษฐาน มั่นชนี้แล้วก็ออกจากบรรณาศาลาประทับนั่งณนะแผ่นศิลาแทบทวานศิลาดุดปฏิมาทองคำเนี่ยนะก็อธิษฐานบารมีมั่นขึ้นมาทันทีเนี่ยนะว่าเราจะไม่เสียใจเพราะเราให้ทานไปแล้วเราทํากุศลไปแล้วเราจะต้องไม่เดือดร้อนใจในภายหลังเนี่ยนะจริงๆแล้วพระเวสสันดรไม่ใช่ว่าท่านไม่ทุกข์นะท่านก็ทุกข์มากแต่ว่า แตใใ่ให้รู้จักแยกอารมณ์นะพระเวสสันดรท่านไม่ได้เสียใจเพราะท่านให้ลูกเป็นทานในการปารกุศลเนี่ยนะท่านไม่ได้โทรมานัทเพราะสิ่งนั้นที่ท่านโทรมานัทก็คือเมื่อเจอกับอนิถารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาคือการลูกถูกเคี้ยวถูกเตี้ยนะท่านโทรมานัทในส่วนนั้นแต่ตอนหลังท่านก็อธิษฐานจิตทำจิตให้ให้มั่นคงเนี่ยนะ ทีนี้มาดูถึงชูชกเนี่ยนะที่ที่ตีเด็กทั้งสองคนเนี่ยนะว่าฝ่ายชูชกพราหม์นั้นพลาดล้มในสถานที่ไม่เสมอแห่งหนึ่งท่าวันที่ผูกเคลื่อนหลุดจากพระหัตถ์ของราชกุมารีทั้งสองพระองค์ก็มีพระกายสั่นเหมือนกับไก่ที่ถูกตีเนี่ยนะก็เด็กๆที่พ่อแม่เลี้ยงมาเป็นอย่างดีรินไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมอะไรเงี้ยนะ เลี้ยงมาเป็นอย่างดีซึ่งมาถูกตีอย่างนี้ก็แหมตัวสั่นเลยก็เลยหนีมาหาพระราชบิดาโดยเร็วนี่นะทีนี้ฝ่ายชูชกนี่ก็ลุกขึ้นโดยเร็วเนี่ยนะถือเทวันและไม้ท่วมไปด้วยความโกรธเหมือนไฟตั้งขึ้นแตกกัดฉะนั้นเนี่ยนะเหมือนไฟประรายกันว่างั้นถอะโทสะมันเกิดมันแรงมากนะเอาอุตสาหะเป็นอย่างดีไอเด็กพวกนี้มันยังหลุดไปได้ก็โกรธใหญ่เลยก็คำน ว, นวนว่าตาเนี่ย แดงเหมือนกับไฟไหม้มางัน้นเน่ยโกรธมากแล้วก็กล่าวว่าหนูทั้งสองนี่ฉลาดดีเหลือเกินเนี่ยนะผูกประหัรทั้งสองแล้วก็นํากุมารกุมารีไปอีกเอามามาัดใหม่แล้วก็ไปต่อเมื่อชาลีและการหาชินาเนี่ยนะถูกชูโชกนําไปอย่างนี้การหาชินานก็เลี้ยวกลับมาทอดพระเนตรดูพระราชบิดาดูซิพ่อว่าเอ้เราถูกมัดไปอย่างเงี้ยนะเลี้ยวไปดูหน้าพ่อที่ไหนที่พ่อเป็นยังไงมางั้น น, นะก็บอกว่า การหาชินาราชกุมารีได้ทูลพระราชบิดาว่าข้าแต่เสด็จพ่อพราหมณ์นี้ตีหม่อมชันด้วยไม้เหมือนนายเนี่ยตีทาสีที่เกิดในเรือนข้าแต่เสด็จพ่อธรรมดาว่าพราหม์ทั้งหลายย่อมเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมแต่ว่าตาพราหมณ์นี้หาเป็นดังนั้นไม่ยักมาด้วยเพศพราหมณ์เพื่อจะนำหม่อมชันทั้งสองไปเคี้ยวกินหม่อมชันสองพี่น้องอันปีศาจนำไปอยู่พระองค์นี่ทอดพระเนตรเห็นหรือเนอะ นนะก็คล้ายๆน้อยใจกับพ่อมากะนะว่าพ่อไม่เห็นหรือยังไงนะถ้าถูกทั้งถูกเคี่ยนถูกตีแล้วพ่อก็นั่งนิ่งไม่เห็นว่าอะไรเลยเหมือนกันซึ่งอธิบายว่าข้าแต่เสด็จพ่อก็ตะพรามนี่นําหม่อมชันทั้งสองพี่น้องไปยังไม่ทันถึงประตูป่าเลยแกนี่มีดวงตาทั้งคู่แดงเหมือนมีแต่เลือดไหลเพื่อจะเคี้ยวกินคือนาไปด้วยหวังว่าจะเคี้ยกินเสียทั้งหมด พระองค์ก็ยังเห็นทรงเห็นหม่อมฉันสองพี่น้องถูกนําไปเพื่อเคี้ยวกินหรือเพื่อต้มเสียพระองค์เนี่ยจงมีความสุขทุกเมื่อเถิดเนี่ยนะลูกก็ยังให้พรพ่อเองนะไม่ได้ด่าอะไรหรอกขอให้พ่อมีความสุขต่อไปกันละกันเนี่ยนะ <c oughs> ถ้าดูจากตรงนี้นะอดีตชาติของพระนางอุบลวรรณาเถรีที่ท่านกล่าวไว้ในอปทานว่ า, านะคือตอนที่นางอุบลวรรณาเนี่ยนะไปขอดับขันตรีนิพพาน คือพระนางอวบนว น, นาเถรีเนี่ยดับขันปริณิพานก่อนพระผู้มีพระภาคสิ้นพระชนนะนะก่อนที่จะดับขันปริณิพานก็ไปกล่าวว่าคือพูดถึงความสําเร็จทั้งหมดที่นางได้นะนะคือได้บรรลุมรรคผลจนถึงแทงตลอดปฏิสัมพิทาสแล้วก็กล่าวถึงข้อความต่างๆที่เคยร่วมบําเพ็ญบุญกับพระโพธิสัตว์ว่าข้าแต่พระมหามุนีอธิการเป็นอันมากที่หม่อมชั้นแสดงแล้วในพระพิชิตตมานผู้ประเสริฐทั้งหลายในปางก่อน โดยความพินาศไปแห่งมัจเฉริยะที่สู้รบกันเพื่อประโยชน์แก่พระองค์นี่ยนะก็คือทําบุญเพื่อเพื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทำมามากแล้วก็ระหว่างทำบางทีมันก็สู้รบด้วยมัจเฉริยะอยู่เหมือนกันเหมือนกันข้าแต่พระมหามุนีผู้มีความเพียรมากขอพระองค์จงทรงระลึกถึงกุศลกรรมเก่าของหม่อมชันและบุญที่หม่อมชันสั่งสมไว้เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ น, นะก็ยอมรับว่าได้ช่วยช่วยในการบําเพ็ญบารมีเพื่อพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมาก ข้าแต่พระมหาวีระเจ้าเมื่อพระองค์นิ้ทรงละเว้นอานาจารในสถานที่ไม่ควรอ บ, บรมพระยานให้แก่กล้าอยู่ชีวิตอันสูงสุดหม่อมชั้นสละแล้วเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ข้าแต่พระมหามุนีพระองค์ได้ประทานชีวิตแก่หม่อมชั้นหลายหมื่นโกรกับแม้หม่อมชั้นก็บริจาคชีวิตของหม่อมชั้นเพื่อประโยชน์แก่พระองค์จริงแล้วพระพุทธเจ้าก็เคยสละชีวิตเพื่อเพื่อนางเหมือนกันนะ นางก็สละชีวิตเพื่อพระองค์เหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้มีฤทธิ์มิได้มีสิ่งอะไรเปรียบปานมีพระวิริยะก้าวหน้าในการนั้นหม่อมชั้นอัศจรรย์ใจทุกอย่างประนมกรอัญเชลีด้วยเสียงกล่าวได้ทูลว่าการนิยกิจนี้หม่อมชั้นได้ทําแล้วเนี่ยนะก็นี้ก็สักหนึ่งตอนที่พระนางอุบลวรรณนาเถรีกล่าวก่อนจะดับขันปรินิพานว่าเคยร่วมสุขร่วมทุกมากับ พระโพธิสัตว์เป็นอย่างมากในการบำเพ็ญบารมีเพราะชาติที่เป็นพระเวสสันดรนางก็เป็นเป็นลูกเนี่ยนะซึ่งยอมให้พระพโพธิสัตว์คือพระเวสสันดรเนี่ยยกตัวเองให้เป็นทานไปเนี่ยนะก็คืออดีตชาติของพระนางอุบลวรนนาเถรีนั่นเองนะการหาชีนาในที่นี้ก็คือนางอุบลวรนนาเทรีเมื่อพระกัรหาชินากุมารีน้อยทรงพิราบรมพันองคเนี่ยสันตายเสด็จไปอยู่ก็เศร้า ร้องไห้สานไปนะพระเวสสันดรมหาสัตว์ก็ทรงโศกเศร้าเป็นกําลังหาทายวัตถุก็ร้อนเนี่ยนะใจนี่มันร้อนหวัวใจนี่เต้นแรงผิดปกติมากเลยนะเขอบอกว่านาสิกไม่พอจะระบายลมอัสสาสะปัสสาสะหายใจไม่พอเลยนะมันมันมั น, ม, น, ม, นมันอัดอั้นตันใจหายใจไม่ค่อยออกนะมันอึดอัดเต็มที่เหมือนั้นคือหายใจไม่ออกเขาบอกว่าต้องปล่อยให้พระอัสสาสะปัสสาสะอันร้อนเนี่ออกจาก นะร้อนร้อนอกมากเต็มที่นะหายใจผ่อนไม่พอต้องอ้าปากให้มันผ่อนความร้อนออกไปเพราะว่ามันเครียดจัดนะลูกถูกตีซึ่งลูกเนี่ยเลี้ยงมาด้วยความรักความผูกพันไม่เคยไม่เคยตีไม่เคยพูดให้ลูกไม่สบายใจแม้แต่ครั้งเดียวนะพอมาคนอื่นมาทําอย่างนี้ต่อหน้าต่อตานี่มันก็ทุกข์เหลือเกินพระสุคือน้ําตานี่เป็นเหมือนกับเลือดไหลออกจากพระเนตรทั้งสองพระเวสสันดรโพธิสัตว์ก็คิดว่า ทุกเห็นปาณนนิเกิดเพราะโทษคือความสิเนหาหาใช่เพราะเหตุการณ์อื่นไหมทุกทั้งหมดที่ทุกนะถ้าไม่รักจะทุกไหมไม่ทุกอยู่แล้วทุกเหล่านี้เพราะเรามีความรักต่อต่อลูกเพราะมีความผูกพันต่อต่อลูกเพราะความผูกพันอันนี้แหละเป็นเหตุแห่งทุกนะนะที่พระองค์ตรัสว่าที่ใดมีรักที่นั่นก็มีทุกทุกทั้งหลายก็เกิดจากความรักถ้าบุคคลผู้กําจัดความรักได้โดยเด็ดขาด ทุกจะมีแต่ไหนความเศร้าโศกจะมีแต่ไหนเพราะฉะนั้นความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความรักเกิดจากความผูกพันนั่นเองเพราะฉะนั้นเราควรเป็นผู้จิตมัตยัตวางอารมณ์เป็นกลางคือทําจิตให้มันเป็นกลางซะให้ดํารงอยู่ด้วยตตระมัชตาตาเนี่ยนะอย่าทําความสิเนหาคืออย่าทําความสิเนหาในบุตรอย่าทําความชิงชังในชูชกนะนะทำจิตให้สองคนเนี่ยนะคือเรา ลูกชูชกให้มันจิตเท่ากันหมดเลยมันไม่มีความแตกต่างกันก็วางจิตให้เป็นกลางแบบนั้นอย่างนี้แล้วพระองค์ก็บรรเทาความเศร้าโศกเสียด้วยกำลังของญาณนะมีผู้มีปัญญาขนาดนี้นะแต่เป็นคนทั่วไปไม่รู้เนี่ยดาบก็มีธนูก็ยังเหลือใช่ไหมไม่รู้ว่าเนะี่ยดาบจะกวัดแก่งตัดคอหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะถ้าไม่ใช่พระโพธิสัตว์นิ่งใยแย่แนนะ่ ทีนี้การหากุมารีเนี่ยเสร็จไปยังไม่ถึงประตูป่ากก็ร้องให้คร่ำครวญพี่รายรำพันต่อไปว่าเท้าน้อยของเราทั้งสองพี่น้องซึ่งนำมาซึ่งความทุกข์ทั้งหนทางก็ยาวไกลไปได้ยากเมื่อดวงอาทิตย์อัสดงลงต่ำพรามก็จะให้เราทั้งสองพี่น้องเดินไปข้าพเจ้าทั้งสองพี่น้องของนอบน้อมไหว้ด้วยเสียงกล้าวต่อเทพเจ้าเหล่าที่สิงสถิตยอยู่ณภูผาพนาลัยและที่สะระปตูมชาติ และแม่น้ำซึ่งมีท่าอันดีทั้งที่ตินชาติละดาวันสรพพฤกษาที่เป็นโอสถอันเกิดแต่บรรพศและแนวไพร น, นะหมดทางที่พึ่งก็ขอเทพเจ้าแล้วครับนี้ผีป่าผีเขาผีเฝ้าต้นใบไม้ใบหญ้ า, าก็วอนมาให้หมดเลยขอเทพเจ้าเหล่านั้นจงช่วยทูลแก่พระมารดาฝากถึงแม่ด้วยนะเรียกว่าวรเทพฝากถึงแม่ว่างั้น หม่อมชันทั้งสองพี่น้องมีความสําราญนะทุกขณะนี้ยังบอกฝากแม่ด้วยนะบอกว่ายังสบายดีอยู่เพราะงั้นนะพอทนได้พราหมณ์นี้กําลังนำหม่อมชั้นทั้งสองพี่น้องไปข่าแต่เทพเจ้าผู้เจริญทั้งหลายขอท่านเหล่านั้นจงทูลแด่พระมารดาของข้าพเจ้าทั้งสองพี่น้องผู้มีพระนามว่าพระมัสสีว่าถ้าพระมารดาทรงใคร่จะติดตามลูกทั้งสองนะยังห่วงถ้าแม่จะตามหนูมานะจงเดินหนทาง ตามทางมานี่นะให้มาโดยพลันเลยทางนี้เป็นทางเดินได้เฉพาะคนเดียวนะมาตรงไปสู่อาสมอย่างนะั้นพระแม่เจ้าจงเสด็จมาตามหนทางนั้นจะได้ทอดพระเนตรเห็นลูกทั้งสองพันท่วงทีโอ้ข้าแต่พระแม่ชตินีผู้นำมูลพลาผลมาแต่ไพรความรัฐมทุกข์จะมีแด่พระแม่เจ้าเพราะทอดพระเนตรเห็นอาสมนั้นว่างเปล่านะักนะคิดถึงแม่ถ้าแม่มาเนี่ยกลับมาไม่เห็นลูกแม่คงทุกข์เป็นแน่ มูลพลาผลที่พระแม่เจ้าได้มาด้วยทรงเสาะหาจนล่วงเวลาคงไม่น้อยนะสายแม่สงสได้ผลไม้มาเยอะเหมือนกันพระแม่เจ้านี้คงไม่ทราบว่าลูกทั้งสองถูกพราหมู้สแสวงหาทรัพย์ผู้ร้ายกาดเหลือเกินผูกไว้แกตีลูกทั้งสองเหมือนตีฝูงโคเออก็ลูกทั้งสองนั้นได้ประสบแม่เจ้าผู้เสด็จมาแต่ที่เสาะหามูลพลาผลในเย็นวันนี้แม่เจ้าคงประทานผลไม้กับทั้งรวงพึ่งแก่พราหมณ์ พรามนี้ได้กินอิ่มคงไม่ยังลูกทั้งสองให้รีบเดินไปนะถ้าแกได้กินผลไม้อิ่มดื่มน้ํำพึ่งอร่อยๆนะแกคงจะแหมายลดความดุกว่านี้อีกนะคงไม่รีบไปขนาดนี้หรอกหลังกันเพราะฉะนั้นเท้าทั้งสองของลูกก็บวมพองแล้วพรามนี้ก็ยังรีบเดินไปชาลีและพระกันหาปรารถนาจะพบพระมัสีผู้เป็นมารดาก็าพิราบ รำพันในสถานที่นั้นด้วยประการชนีเนี่ยนะก็ถูกูถูกเกลี้ยนถู ก, ถ ก, ถ ก, ถ ก, ถกตีก็ร้องให้คําควรไปตามภาษาเด็กน้อยเนี่ยนะนี่ก็ เ, เรียกว่ากุมารกันนะที่ผ่านไปทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วในะเรียกกุมารกันกันว่าด้วยกุมารทั้งหลายคื อ, อเป็นบทความที่กล่าวถึงพระชาลีเป็นคําพูดของพระชาลีกับพระกันหาชินาสองพี่น้องเป็นหลักเนี่ยนะก็เลยเรียกว่ากุมารกัน